สิบขาบทวิพังสองร้ที่ชื่อว่าปรัมปราโภชนะคือภิกษุที่ทายกนิมนต์ด้วยโภชนะห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งไว้งดเว้นโภชนะนั้นไปฉันโภชนะห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งอื่นจากที่ตนรับนิมนต์ไว้ยอย่างนี้เป็นชื่อว่าปรัมปราโภชนะคําว่านอกสมัยคือยกเว้นสมัยที่ชื่อว่าสมัยที่เป็นไข้คือนั่งนาอาสนะแห่งเดียว แม่อาจจะฉันให้พอแก่ความต้องการได้ภิกษุคิดว่าเป็นสมัยที่เป็นไข้พึงฉันได้ที่ชื่อว่าสมัยที่ถวายจีวอคือเมื่อยังไม่ได้กรันกรถินกําหนดเอาเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝนเมื่อกรันกรถินแล้วมีกําหนดเวลาหเดือนพิกสุคิดว่าเป็นสมัยที่ถวายจีวอพึงฉันได้ที่ชื่อว่าสมัยที่ทำจีวอคือเมื่อพิสุกําลังทำจีวอนพิสุคิดว่าเป็นสมัยที่ทำจีวอพึงฉันได้ ภิกษุรับด้วยคิดว่าจะฉันนอกสมัยต้องอบัตทุกกฎฉันต้องอบัดปราจิ ต, ตีทุกๆคำกลืน